แล้วก็พออาจารย์บรรยายเสร็จยังมีทางทีมงานช่องเก้ามาสัมภาษณ์ต่อด้วยเขามาถามอะไรอาจารย์เหรอคะตอนที่เข้ามาสัมภาษณ์นะคะเขาก็ถามถึงเรื่องเศรษฐกิจหรือปัญหาที่อยู่ในชีพิตปัจจุบันเนี่ยเรากำลังมาชิญปัญหากับความขัดแย้งกันเราจะวางจิตวางใจอย่างไรแล้วอาจารย์ตอบเขาไปว่ายังไงละคะก็ตอบเขาอย่างง่ายๆที่เคยพูดกันบ่อยๆว่าเราต้องเข้าใจถึง